บทที่45ศิลาจารึกเนื่องจากทรงศรัทธทาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งและทรงเชื่อว่าเมื่อปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วจกบรรลุความสุขอันสมบูรณ์ประชาชนและรัฐจกรุ่งเรือง ดังนั้นพระเจ้าอาโศกจึงพยายามนำหลักธรรมวินัยของพระพุทธองค์มาเป็นนโยบายการปกครองรัฐทรงตระหนักว่าชัยชนะอันแท้จริงไม่ใช่ชัยชนะอันเกิดจากเดชานุภาพทั้งนี้เพราะชัยชนะดังกล่าวจะมีอิทธิพลดำรงอยู่ได้เพียงช่วการช่วอายุของบุคคลและมีอยู่เสมอที่อนุภาพนั้นยืนยงไม่ถึงช่วชีวิตด้วยซ้า แต่ในประการตรงกันข้ามชัยชนะอันเกิดจากคุณานุภาพโดยธรรมจักเป็นชัยชนะอันยืนยงคงทนตลอดชั่วกระปะวะสารทีเดียวพระองค์ได้รับความโดนบันดาลใจจากเรื่องราวธรรมจักรพัตติราชในพระสูตรของพระพุทธศาสนาจึงปฏิบัติพระองค์เป็นธรรมจักรพัตติราชและทรงประกาศความรู้สึกไว้ ในศิลาจาลึกดังนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัทรสีผู้เป็นที่รักแห่งถวยเทพทรงปรารถนาความไม่ประทุษร้ายในสรรพสัตว์ความสังวรตนความประพฤติสม่ำเสมอและความสุภาพและโดยประการนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พิจารณาประจักษ์แล้วว่าธรรมวิชัยคือชัยชนะโดยธรรม นับเป็นชัยชนะอันสูงสุดพระเจ้าหัวได้ทรงรับผลสำเร็จในชัยชนะดังกล่าวสืบต่อการไม่รู้สิน้นคือทั้งในอาณาจักรของพระองค์และแผ่ตลอดไปบรรดาเผ่าพันธุ์มนุษย์อื่นๆที่อาศัยอยู่รอบพระราชอาณาเขตแม้ในแว่นแคว้นซึ่งไกลออกไปตั้งหกร้อยยน์อันมีกษัตริย์ชาวโยนกทรงพระนามว่าอันติโยคะ และถึงอาณาจักรแห่งพระราชาสีพระองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าตุระมายะพระเจ้าอันติเกนะพระเจ้ามคคะและพระเจ้าอลิกสุนทระก็เหมือนกันภาคใต้ของอาณาจากักรมคธลงไปถึงดินแดนพวกโจระพวกปานธยะและกระทั่งตามพับ ป, ปันนี้คือเกาะลังกา ในประการเดียวกันนาแวนแควนทั้งหลายของพระราชาธิบดีแห่งพวกยวนะแลลกก ร, รมโพชะพวกนาภกะและนาภปันติพวกเจ้าโพชะผู้กรองโดยสืบสันตติพวกอันธระและพวกปารินท h เหล่านี้ทุกคนทุกแห่งปฏิบัติตามธรรมานุสานของสนเด็จพระเจ้าอยู่หัว แม้ชนชาวประเทศอื่นซึ่งคณะทูตของพระองค์ได้ไปถึงครั้นได้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและธรรมโฆษนาของพระองค์แล้วชนชาวประเทศทั้งหลายเหล่านั้นก็ลงมือปฏิบัติตามและชักชวนกันให้ปฏิบัติตามและชายชนะเห็นปานเช่นนี้ได้นำมาซึ่งความปิติและความรักใคร่ ความรักใคร่โดยประการนี้จึงจะดำรงมั่นคงอยู่ได้เพราะมักผลิตผลจากธรรมวิชัยถึงกระนั้นความปิติพึงใจดังกล่าวก็ยังนับว่าเป็นผลเล็กน้อยเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งหมายผลอันโอฬายิ่งกว่าคือผลที่ได้รับในโลกหน้าพระราชะองค์การโดยธรรมนี้โปรดกล่าวให้จารึกไว้ก็เพื่อประสงค์ให้พระราชะบุตร และพระราชนัดดาและพระราชปนัดดาทั้งผองของข้าทราบชัดถึงชัยชนะแบบใหม่ของข้าจะได้ไม่ไปเที่ยวเสะสแสวงหาชัยชนะแบบอื่นขอให้เข้าเหล่านั้นพึงเข้าใจเถอะว่าชัยชนะที่จริงแท้มีแต่ชัยชนะโดยธรรมานุภาพเท่านั้นพระเจ้าอาโศกจึงนับได้ว่าเป็นราชาผู้พิชิตพระองค์เดียวในโลก ซึ่งดำเนินนโยบายปกครองโดยธรรมาทิปไตยทั้งๆที่แสนยานุภาพของพระองค์ก็ยังพรั่งพร้อมสมบูรณ์รอเวลาลุกรานประเทศแวนแควนอื่นอยู่ทุกเมื่อพระองค์ไม่เคยรู้จักคำว่าพ่ายแพ้นับตั้งแต่แผ่พระกฤษฎานุภาพเป็นต้นมาแต่พระองค์กลับละเลิกยุทธวิชัยบีทามาเผยแผ่ธรรมวิชัยเพื่อสันติแทน นับว่าเป็นบทอัศจรรย์บทหนึ่งในหน้าที่ประวัติศาสตร์แห่งโลกมนุษย์ใช่ว่าพระองค์จะผิดหวังเพราะเสียเชิงศึกหรือเป็นด้วยกองทัพร้ายศักดาจึงทรงเปลี่ยนแสวงหาเกียรติคุณทางศาสนาก็หาไม่ได้ราชนผู้พิชิตหลายๆพระองค์ในโลกเคยมีส่วนมากมักประพฤติองค์เป็นทรราชหรือมิฉะนั้นก็เป็นจอมฆาตกรซึ่ง มีความทะเยอทะยานปรารถนาเป็นเจ้าโลกด้วยวิธีทำสงกรามอย่างไม่รู้อิ่มจนที่สุดต้องพ่ายแพ้สลายไปจำเนียนการต่อมาก็ปรากฏมีกรรษัตริย์พุทธมามกะหลายพระองค์ในานานาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาได้พยายามดำเนินตามรอยพระบาทพระเจ้าอาโศกมหาราชอันหนึ่ง จากจารึกอันนี้ทำให้เราทราบว่าธรรมวินัยของพระเจ้าอาโศกไม่ได้ทรงคาดหมายแต่จะให้ประชารชานประสบสุขในปัจจุบันเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงคำหนึงถึงปรพศซึ่งแสดงว่าพระองค์มีศรัทธามั่นในเรื่องกฎแห่งกรรมและวัฏฏะสังสาระซึ่งทรงเพิ่มพูนพระบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อความเสวยสุขทั้งในเมื่อนี้ เมื่อน้าอีกด้วยพระบารมีซึ่งพระองค์บำเพ็ญและประกาศจักชวนให้ประชาชนบำเพญ็ญมีปรากฏในจารึกต่อไปสมอุทิศพระองค์เป็นธรรมธาตุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัศ ส, สี ผู้เป็นที่รักของทวยเทพไม่ได้ทรงถือชื่อเสียงในพบปัจจุบันนี้เทียบเท่ากับผลอันโอฬานซึ่งพระองค์จจกพึงได้รับในอนาคตการทรงจำนงหมายชื่อเสียงเพียงประการเดียวคือขอให้ทวยประชากรได้ทราบกิจซึ่งพระองค์รับใช้พระธรรมทั้งในพบนี้และพบหน้าต่อไปข้อนั้นเพราะเหตุดังเลือ ก็เพื่อประสงค์ให้บรรดานิกรชนได้รอดพ้นจากผลมิจฉาอาชีวะซึ่งไม่เป็นกุศลนั่นเองถ้าหัวหน้าปกครองประเทศต่างๆสละตนเป็นธรรมธาตุได้อย่างพระเจ้าอาโศกไม่เป็นธาตุของเงินตราหรือพักพวกประเทศจะรุ่งเรืองแน่นอนไม่ต้องกังขาการสงครามก็จะไม่มี การประพาธเพื่อรรมในพระราชะกำหนดที่8มีจารึกว่าในอดิตการพระเจ้าเทวานันปิยะทั้งหลายคำว่าเทวานางปริยะในจารึกใช้เป็นรัตชอิสริยยศของกษัตริย์เช่นเดียวกับคำว่ามหาธรรมราชาของไทยได้เคยเสด็จประพาธเพื่อความสำราญในการประพาทนั้น กิจที่ทรงกระทาคือการล่าสัตว์และความรื่นเริงสนุกสนานอย่างอื่นอื่นอีกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยัศสีผู้เป็นที่รักของทวยเทพพระองค์ปัจจุบันภายหลังราชาพิเศษได้สิบปีพระองค์เสด็จไปยังโพธิคยาสถานที่ตรัสรู้และจารึกเพื่อความรู้ยิ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้เกิดการประพาสชนิดเพื่อทาขึ้น การประพาสชนิดเพื่อธรรมนี้มีการเยี่ยมเยียนสมณชีพรามต่างๆและถวายข้าวของเงินทองตลอดจนการเยี่ยมเยียนพระเถระของพระพุทธศาสนาและถวายจตุ ป, ปัจจัยการเยี่ยมเยียนราษดรตามท้องถิ่นชนบทและสั่งสอนพระธรรมแก่เขามีการเปิดธรรมสากัจฉาขึ้นด้วยเมื่อเป็นดังนี้ ประชาชนจึงพากันตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีเพราะหัวหน้าทำตนเป็นตัวอย่างการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยังเป็นกันเองกับประชาชนเห็นปานชนีนับว่าหาได้ยากในโลกการประพาสแบบธรรมญาตราไม่ทําให้มนุษย์หรือสัตว์เดือดร้อนไม่ต้องเปลืองค่าจับจ่ายต้อนรับเลี้ยงดูอันใด นักปกครองน่าจะลองธรรมญาตราดูบ้างจะได้ลิ้มรสของความสุข ก, กายสบายใจทรงปฏิวัติสังคมโดยธรรมสังคมปรามในยุคนั้นเต็มไปด้วยความเหลวไหลมีการฆ่าสัตว์บูชายานัน โดยที่โยนบาปให้แก่แพะแกะโคกระบืออย่างปราศจากเมตตาชีวิตหลายมือหลายแสนของสัตว์ผู้ไร้ความผิดต้องถูกประหารประกอบยัญกรรมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและมีการเลี้ยงดูปูเสือแสดงความยินดีด้วยเล้ายาปราปิ้งตลอดจนมีการถือโชคลางมงคลตื่นข่าวแต่พระเจ้าอสศกับประกาศให้ยกเลิกหมด ดังศิลาจารึกว่าในพระราชะอาณาจักรของข้าที่นี่ห้ามฆ่าสัตว์บูชายันห้ามการรื่นเริงเลี้ยงเล่าหรือชนสัตว์ทั้งนี้เพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นโทษมากในการเลี้ยงดูร่าเริงแบบนั้นยังมีการร่าเริงเลี้ยงดูประเภทซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นว่าเป็นการทํากุศลไม่จาเป็นต้องบูชายันหรือ เลี้ยงเล่าหยัมเป ก, กันในอดีตโภชนาคารหรือโรงครัวของพระองค์มีสัตว์หลายพันต้องถูกฆ่าเพื่อปรุงเป็นอาหารทุกวันณบัดนี้เมื่อกำลังจะรึกพระราชองค์การนี้วันหนึ่งมีสัตว์สามตัวเท่านั้นที่ยังถูกฆ่าก็คือนกยูงสองตัวและกวางตัวหนึ่งสำหรับกวางนั้นไม่ได้ฆ่าเสมอไปรอก ในเวลาต่อไปสัตว์ทั้งสามนี้ก็จกไม่ถูกฆ่าเลยปรากฏในปีที่สิบสามหลังจากราชาพิเศษพระเจ้าอาโศกก็เริ่มเป็นนักกินผักคือเสวยแต่อาหารที่ไม่มีมังสะเลยชาวอินเดียเชื่อกันว่าวัฒนธรรมมังสวิรัตของชาวฮินดูสืบเนื่องมาจากพระเจ้าอาโศกนี่เองเมื่อทรงห้ามทรบาปแล้ว ก็โปรดให้สร้างบุญกุศลแผ่เมตตาให้ชนทุกชาติชั้นวันนะตลอดลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยวิธีบำรุงความสุขแก่ประชาชนและสัตว์ดังศิลาจารึกเล่าว่าทุกหนทุกแห่งในราชาอาณาจักรของสมเด็จพระพิยทัศีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพและทั้งอาณาจักรเครื่องติดต่อใกล้เคียงกับอาณาจักรของพระองค์เป็นต้นว่าโจละ ปานทยะสัติยาปุระไกลออกไปจนถึงตามพระบนันนิคือเกาะลังการาชอาณาจักรโยโนกของพระเจ้าอันติโยคะคือพระเจ้าแอนติโอโคสที่สองแห่งประเทศซีเรียหรือแม้ว่าพระราชาอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพระเจ้าอันติโยคะนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรโดให้มีการรักษาโรคสองประการ คือการรักษาโรคมนุษย์ประการหนึ่งการรักษาโรคสัตว์อีกประการหนึ่งโรงพยาบาลทั้งสองอย่างมีทั่วไปในพระราชอาณาจักรเหล่านี้ทุกหนแห่งถ้าโอสถสําหรับมนุษย์และสัตว์ในที่นั้นๆไม่มีพระองค์ก็โปรดกล่าวให้เก็บหาไว้แล้วจัดปลูกขึ้นให้พร้อมทั่วทุกด้าวแดนรากเง้าที่เป็นยาด้วย และผละไม้นที่ใดาขาดแคลนก็โปรดกล้าวให้นํามาปลูกขึ้นไว้ทรงโปรดให้ปลูกต้นไม้ไว้ตามถนนหนทางและให้ขุดสระน้ำไว้สําหรับมนุษย์และฝูงสัตว์จะได้อาศัยบริโภคแปลว่าพระเจ้าอาโศกได้สร้างโรงพยาบาลสาธารณะขึ้นทั้งยังมีโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งนับได้ว่าโรงพยาบาลสัตว์ของพระองค์เก่าแก่ที่สุดก่อนชาวยุโรปสร้างเสียด้วยซ้า นอกจากนี้ยังทรงเป็นนักปลูกป่ารักษาป่าและแก้เศรษฐกิจไปในตัวอีกด้วยเลิกพิธีรีตองแต่ให้ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระเจ้าปิยัศ ส, สีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพประกาศแก่รัษดรว่าที่รัษดรทั้งหลายประกอบกิจมงคลต่างๆในยามป่วย หรือยามสมรสยามคลอดบุตรยามเดินทางไกลในยามหรือโอกาสคล้ายครึงกันอย่างนั้นประชาราษฎรได้พากันประกอบพิธีมงคลต่างต่า ง, างมิใช่แต่เพียงเท่านั้นพวกหญิงแม่เจ้าเรือนประกอบพิธีมงคลมากมายหลายอย่างซึ่งล้วนแต่ไม่มีสาระและไม่มีค่าการมงคลอีกประการหนึ่งคือมงคลอันประกอบด้วยธรรมย่อมมีผลมากกว่า ก็การมงคลอันประกอบด้วยธรรมนั้นได้แก่การปฏิบัติอย่างดีต่อธาตุและคนรับใช้การยกย่องเชิด ช, ชูแดกครูบาอาจารย์การมีใจรักการมีใจรักในปาณชาติสิ่งมีชีพการถวายทานแ ด, ดสมณพรามการกระทำเหล่านี้และการกระทำอื่นอีกที่ละไม้คล้ายกันเรียกว่าการมงคลอันประกอบด้วยธรรม ดังนั้นบิดาบุตรหรือพี่น้องคนที่เป็นนายเขาตลอดจนมิตรสหายสมควรแล้วที่จะช่วยกันประกาศว่ามงคลอันประกอบด้วยธรรมนี้ดีเยี่ยมโดยแท้จงปฏิบัติกันให้สำเร็จกระทั่งบรร ล, ลุผลที่จำนงหมายเถอะแปลว่าพระเจ้าอาโสงให้เลิกการถือมงคลโชคลางตื่นข่าวแต่โปรดนำหลักธรรมานุธรรมปฏิบัต ให้มงคลลสูตรของพระพุทธองค์มาใช้แทนเพราะมงคลไม่ได้อยู่ที่พิธีรีตองแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ตัวของบุคคลผู้ปรารถนามงคลว่าได้ปฏิบัติตนให้เป็นบุญหรือเป็นกุศลหรือหาไม่ต่างหาก อบรมให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของธรรมทานสมเด็จพระเจ้าปิยัติศสีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพตรัส ด, ดังนี้ไม่มีทานใดที่มีผลเทียบเท่าการให้ธรรมะเป็นทานและความเป็นญาติมิตรกันโดยธรรมจากการกระทําเช่นนี้ย่อมมีการกระทําอื่นที่ชอบอีกตามมาคือการปฏิบัติ ด, ดีต่อทาตและคนใช้ การเชี่ยวฟังบิดามารดาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจียจานแก่เพื่อนฝูงญาติมิตรและสมณพราหมณ์กับการละเว้นฆ่าสัตว์มีชีวิตบูชายันการกระทำนี้เป็นสิ่งดียิ่งเป็นกิจที่ควรทำจะประกาศโดยบิดาบุตรหรือน้องคนที่เป็นนายเขาและแม่มิตรสหายก็ควรจะประกาศด้วยการให้ธรรมทานผู้ให้ย่อบรรลุผลดี ทั้งในภพนี้และภพหน้าไม่มีสิ้นเลยทรงตั้งข้าหลวงแทนพระองค์ส่งเสริมปฏิบัติธรรมข้าได้จัดตั้งหลักศิลาจารึกพระธรรมวินัยขึ้นไว้หลายแห่งและได้แต่งตั้งธรรมมหาอามาตไว้หลายคนด้วยกันเพื่อจะได้เป่าประกาศพระธรรมวินัย ธรรมมหาอมาตเหล่านั้นมีหน้าที่ส่งเสริมการประดิษฐานอันถาวรของพระธรรมความไพโรธของธรรมในบรรดาถวยราดและมีหน้าที่ส่งเสริมให้บังเกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยซัพ์กับความสุขแก่ผู้ปรารถนาธรรมทั้งมวลอันหนึ่งธรรมมหาอมาตเหล่านี้ยังมีหน้าที่คอยส่งเสริมความสุขสบายของเหล่าข้าทาสของข้าของสมณะชีปราม ของผู้มั่งคัง่งของคนยากจนของคนเท่าชราและมีหน้าที่กําจัดความอายุติธรรมเกี่ยวกับการจําคุกลงอาญามีหน้าที่กําจัดอุปสรรคและให้ความช่วยเหลือให้พ้นอุปสรรคนั้นแก่คนที่มีบุตรหลานมากหรือคนที่อับจนมากหรือคนสูงอายุแปลว่าธรรมะมหาอมาตเหล่านี้ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ไปด้วยในตัวนับว่าสังคมยุคพระเจ้าอาโศกเป็นสังคมที่สบายที่สุดมีสถานสงเคราะห์คนลูกมากสถานสงเคราะห์คนชราสถานจัดหาอาชีพแก่คนว่างงานปัจจุบันในบางประเทศก็ยังมิได้มีความเจริญด้านสังคมสงเคราะห์อย่างอินเดียยุค 2,000 ปีนี้เลย พระองค์การกำชับข้าหลวงปกครองหัวเมืองพระเจ้าอโศกทรงปกครองรัษฎรแบบพ่อปกครองลูกและทรงมีพระเจ้าองค์การให้บรรดาข้าหลวงเจ้าเมืองตามหัวเมืองทั้งเอกโทตรีให้ปฏิบัติตนต่อรัษฎรอย่างพ่อกับลูกเช่นเดียวกันให้ถือความสุขของรัษฎรเป็นนโยบายของการปกครองโดยตรงพระองค์ตรัสไว้ในจารึกว่า ทวยราชเป็นลูกของข้าและข้ามีความประสงค์ต่อลูกของข้าให้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างความสุขทั้งในภพนี้ภพหน้าเป็นฉันใดข้าก็จำหนงหมายอย่างเดียวกันนี้ในทวยราชด้วยฉันนั้นความริษยาความคลายวิริยะความปราศจากปราณีความไร้ขันติและความไม่ขยัน ความเกียจคร้านและเฉื่อยชาต่อหน้าที่ราชการเจ้าต้องเกียจการไม่ให้อกุศลกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวหากเจ้าปฏิบัติได้สําเร็จก็จกผลิตมหาผลหากปฏิบัติไม่สําเร็จก็จะไม่ผลิตความเสียหายมากมายผู้ซึ่งทําไม่สําเร็จเขาจะไม่ได้ไปสู่สวรรค์หรือราชูประทังโพกเลย ทั้งจากมิได้รับความเมตตาจากข้าด้วยแต่หากกรณีที่เจ้าทำกิจตามองการของข้าได้สำเร็จเจ้าจะได้เสวยสวรรค์และได้ชื่อว่าเจ้าได้ชําระนี้ของเจ้าแก่ข้าผู้ซึ่งได้ชุบเลี้ยงแต่งตั้งให้เป็นคนใหญ่คนโตข้าได้มอบอำนาจให้เจ้าบ้านผ่านเมืองปกครองรัชดรจำนวนหลายแสน มีอำนาจในการให้รางวัลตอบแทนความดีและลงทันแก่ผู้ทําความชั่วได้ตามปรารถนาเพื่อเจ้าเมืองเหล่านั้นจะได้ทาหน้าที่ของเขาอย่างมั่นใจปราศจากความเกรงกลัวทั้งนี้ก็เพื่อความสุขความเจริญของราษฎรเปรียบเหมือนหนึ่งคนที่มอบบุตรของตนแก่พี่เลี้ยงนางนมที่สามารถก็ย่อมโปร่งใจและนึกว่าพี่เลี้ยงนางนมที่สามารถนี้ สนใจดูแลบุตรของข้าให้มีความสุขสำราญ e แผ่ธรรมานุภาพแก่หัวเมืองประเทศชายแดนแว่นแคว้นอื่นๆอันอยู่โดยรอบอาณาจักรเขตที่ยังไม่ถูกกองทัพพระเจ้าอโศกบีทาเมื่อประจักษ์อนุภาพของพระเจ้าอโศกที่พากันหวาดหวั่นว่า ในวันใดวันหนึ่งแสนยากรของมคตคงจะลุกรานมาถึงอาณาจักรของตนเป็นแน่ดูต่างระยอดเดชของพระเจ้าอาโศกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าอาโศกมีพระราชกำหนดนิยมอย่างไรแม้ประเทศไม่ได้เป็นเมืองขึ้นก็ยินยอมปฏิบัติตามยิ่งมาประจักษ์ว่าพระราชกำหนดในชั้นหลังแต่สมครามกลินคะเป็นต้นมา ล้วนแต่เป็นพระราชะกำหนดนิยมสันติภาพเป็นประโยชน์สุขแก่โลกได้จริงพวกประเทศบ้านเมืองดังกล่าวก็เกิดปีติอนุโมทนาและพากันปฏิบัติตามยิ่งขึ้นสำหรับพระเจ้าอาโศกดูเหมือนจะทรงเข้าพระทัยในความรู้สึกของชาวแวนแควนเหล่านั้นฉะนั้นจึงทรงประกาศแกบ่บรรดาข้าหลวงผู้ปกครองชาวชนเผ่าต่างๆชายแดนอนาเขต ให้ทราบพระราชนิยมว่าจะต้องปกครองชาวชนเผ่าชายแดนอย่างไดเมื่อเป็นดังนั้นกิตติศัพท์ก็จะแพร่เข้าไปถึงโดยเร็วในแว่นแคว้นอื่นๆที่อยู่ติดเนื่องกันทราบพระราชประสงค์ได้โดยท่องแท้ไม่ต้องหวาดวันอีกต่อไปดังศิลาจารึกว่าถ้าสูเจ้าลาวข้าหลวงจักถามว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชะองค์การอย่างไรแก่เราเกี่ยวกับชาวปลายแดนที่ปราบรามยังไม่ราบคาบข้าก็จะตอบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชะประสงค์ว่าเขาเหล่านั้นไม่พึงหวาดหวั่นข้าเขาเหล่านั้นควรปรงใจเชื่อมั่นในข้าและรับความสุขสบายจากข้ามิใช่รับความทุกโศกข้าปรารถนาชนเหล่านั้นควรปฏิบัติธรรม และรับผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นทั้งในภพนี้และภพหน้าโ น, น้นเมื่อสูรเจ้าคือเหล่าข้าหลวงเข้าใจในความประสงค์ของข้าแล้วก็จงกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของสู่เจ้าจงปฏิบัติต่อปวงชนเหล่านั้นโดยความซื่อตรงและจงทําให้เข้าเหล่านั้นเชื่อข้าและเข้าถึงความจริงว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปรียบเสมือนหนึ่งพ่อของเรา พระองค์มีความรักใคร่พวกเราดุดเดียวกับพระองค์รักพระองค์เองเราทั้งผองนี้เป็นลูกหลานของพระองค์สูเจ้าจงพยายามปฏิบัติตามองค์การของข้าให้บรรลุผลตามที่จำหนงหมายเถอะผลของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือสวรรค์นในโลกมนุษย์มาในยุคปัจจุบันนี้โดยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพได้ทรงปฏิบัติธรรมแล้วแทนที่จะได้ยินเสียงยุทธเพรีก็เปลี่ยนเป็นได้ยินเสียงธรรมเพรีแทนในอดีตการก่อนนิกรชนแห่งชมพูทวีปมิได้เคยอยู่ร่วมกับทวยเทพครั้นมาณบัตรนี้นิกรชนทั้งมวล ได้อยู่ร่วมกับทวยเทพแล้วอย่างนี้คือผลแห่งการปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัดกวดขันของข้าไม่ต้องสงสัยเมื่อทุกคนปฏิบัติเคร่งครัดในธรรมเช่นปฏิบัติเคร่งครัดในหิริโอตัปปะความเกรงกลัวละอาต่อบาปซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเทวธรรมคนใดมีเทวธรรมคนนั้นก็ย่อมเป็นเทวดาทันตาเห็นในชาตินี้ ผู้ใดปฏิบัติเคร่งในข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นพรหมวิหารที่อยู่ของพระพรหมหรือปกติภาพของพระพรหมผู้นั้นก็เป็นพระพรหมกันในปัจจุบันโดยคุณธรรมดังกล่าวฉะนั้นคนในประเทศอินเดียยุคพระเจ้าอาโศกพากันปฏิบัติธรรมกันมากทุกคนก็เป็นเทวดา ซึ่งชื่อว่าได้อยู่ร่วมกับถวยเทพแปล ว, ว่าพระเจ้าอาโศกทรงสร้างอาณาจักรสวรรค์ขึ้นในโลกมนุษย์ด้วยระบอบปกครองตามแนวของพระพุทธศาสนาโดยแท้ให้ความคุ้มครองแก่ทุกศาสนา เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาไม่หึงหวงเดียดฉันศาสนาลัทธิอื่นๆเป็นศาสนาถือเสรีภาพเป็นใหญ่จึงพลอยทำให้พุทธมาม ก, กะไม่ใจแคบมีแต่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกศาสนาพระเจ้าอาโศกจึงจเจริญรอยตามวิธีธรรมอันนี้จึงปรากฏว่าได้พระราชทานอุปถรัรมแก่ศาสนาพราหมณ์ศาสนาเชนดาบทอาชีวกปริพาชก ปรมาจารย์เสมอทุกท่วหน้ากันฉะนั้นเกียรติคุณของพระองค์จึงไปปรากฏในคำพีของศาสนานั้นๆและศาสนานั้นๆก็ถือว่าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในลัทธิของตนแต่ตามหลักฐานข้อเท็จจริงเช่นโบราณสถานและปูชนียวัตถุซึ่งพระเจ้าอโศกทรงสร้างก็ดีข้อความในจารึกก็ดีและปฏิปทาของพระองค์ก็ดี ล้วนส่อสำแดงว่าพระมหาราชทรงประสาทธาัทธาในพระพุทธธรรมดังจาลึกเสาศิลาซึ่งอยู่ในเขตประเทศเนปาลมีข้อความว่าพระเจ้าปิยทัต ส, สีหลังจากทรงเป็นกษัตริย์ผู้เรืองอนุภาพแล้วสิบสี่ปีทรงสถาปนาสถูปของพระโกนาคมพุทธเจ้าเพิ่มเติมใหม่เป็นสองสถูป และเมื่อปีที่24แห่งรัชสมัยได้เสด็จมาสักการะบูชาด้วยพระองค์เองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ที่รักแห่งทวยเทพราชาพิเศษแล้ว20สปีเสด็จมานมัส ก, การด้วยพระองค์เองณสถานที่นี้ดังนี้ด้วยเหตุว่าพระสักยมุนีพุทธได้ประสูตธ์แล้วที่นี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดกล่าว ให้สร้างศิลารูปม้าและโปรดกล้าวให้สถาปนาเสาศิลานี้ขึ้นเพื่อแสดงว่าสมเด็จพระพควันผู้ควรบูชาพระองค์นั้นได้ประสูดแล้วณที่นี้พระองค์ดลบันดาลให้หมู่บ้านลุมพินีพ้นจากการถูกเก็บซวยอย่างเมื่อก่อนและเก็บอยู่เพียงหนึ่งในแปดของผลที่ได้เท่านั้นนอกจากนี้จารึกอื่นยังมีว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอถวายความนอบน้อมแด่พระคณะสงฆ์แห่งมรคตและถวายอวยพรให้สงรุ่งเรืองมีอนามัยดีข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายเจ้ากูย่อมทราบดีแล้วว่าตัวของข้าพเจ้าได้มีความเคารพ น, นอบน้อมและเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์าเจ้ามากมายเพียงไรนอกจากทรงประกาศพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพระาศาสนาแล้ว ยังปรากฏว่ามีอยู่คราวหนึ่งเกิดพระราชศรัทธาแก่กล้าถึงกับสละราชาสมบัติออกผนวดเป็นภิกษุอยู่ชั่วการหนึ่งแล้วจึงปริวัติเพศออกมาเสวยราชใหม่พระราชปณิธานอันนี้ในว่ากลายเป็นแบบแผนนิติประเพณีของพระมหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาจเจริญรอยตามสิลาจารึกกล่าวว่า ข้าได้เป็นอุบาสกอยู่กว่าสองปีครึ่งโดยไม่ได้พยายามปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นครั้นข้าได้ไปอยู่ร่วมกับพระสงฆ์คือเสด็จออกผนวดระยะ ก, กว่าปีข้าได้รับผลรุดหน้าโดยทำอย่างดี